ตอนสิ่งไดคือศาสนาวันที่20สธันวาคม2558กราบกาบนมส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกาเลมิตทุกคนก็นั่งสบายสบายเนาะปกติวันนี้มีแค่คำถามเดียวนะเมื่อกี้พระกูเดินเข้าศาลาปุ๊กก็ยื่นอีกคำถามหนึ่ง มีแค่สองคำถามแต่ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วแต่ลมพาไปเนาะก็เอาคำถามเมื่อกี้ก่อนก็ได้จากอิสลามมาเป็นพุทธพวกครูคิดอย่างไรส่วนลึกของความคิดก็ยังฝังลึกอยู่ในความคิดเช่นภาษาอาหรับที่เราท่องจำขึ้นใจ อาหารต้องห้ามตามหลักศาสนาห้ามนับถือพระเจ้าองค์อื่นห้ามปฏิบัติตามาศาสนาอื่นอย่างเด็ดขาดการภาวนาตัวเป็นพุทธสานิกชนต้องทำหรือไม่อย่างไรเป็นคำถามออกมาจากดวงจิตซึ่งอิสระ กำลังแสวงหาคำตอบอย่างคนมีปัญญานะส่วนเรื่องศาสนานั้นพ่อครูเข้าใจพ่อครูเชื่อว่าทุกๆุกศาสนาทุกๆกศาสดาท่านก็เห็นธรรมนะเพียงแต่ว่าแม้กระทั่งเห็นธรรมแล้วเนี่ยท่านในพุทธเราเรียกว่าพระอรหันเนี่ยนะสิ่งที่เหมือนกันคือท่านเหล่านั้นคือพ้นทุกข์ละแต่จริตยังไม่เหมือนกันนะท่านก็ใช้จริตนะ เอที่ท่านเคยชินนั้นอ่ะมานําเสนอเอาเป็นว่าทุกศาสนาที่ตั้งขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยมีเจตนาที่ดีทั้งนั้นแหละเหมือนฝรั่งเขาก็มีประเพณีของเขานะพระครูเคยมีร้านอาหารนะคืนวันศุกร์วันเสาร์เขาก็มานั่งคุยกันอายุมากเลยนะเขาก็จีบกันทุกทุกอาทิตย์อ่ะเพื่อไม่ให้มันจางแล้วก็ออกไปนอกร้านเขาก็ยืนกอดจูบกันแสดงความรักกัน เมืองไทยบอกว่าไม่มีมารยาทสำหรับพครูนะศาสนาไม่ใช่ความจริงทุกๆศาสนาเป็นแค่องค์กรที่มนุษย์แต่ละกลุ่มสมมุติขึ้นมานะเพื่อขับเคลื่อนคำสอนแต่ละศาสดาแล้วก็ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกเนี่ยทุกศาสนาเวลานี้ที่มีอยู่นะไม่เกิน 5,000 ันปีที่ผ่านมา ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะนะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วมันจะเป็นธรรมะได้อย่างไรปัจจุบันเราถ่ายทอดด้วยรูปของภาษาภาษาเนี่ยก็ไม่ใช่ความจ ร, รมิงมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นออกจะเป็นภาษาบาลบภาาบีภาษาสันสกิตอินเดียโบราณภาษาไทยก็ช่างมันไม่ใช่ตัวธรรมะนะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษามีประโยชน์ถ้าเราใช้เป็นถ้าเราหลงภาษาเมื่อไหร่เราใช้ไม่ถูกต้องกลายเป็นโทษกลายเป็นวัจีกรรมทุกวันนี้ทะเลาะ ก, กันทั้งลกวงก็เพราะภาษานะทุกวันนี้เนี่ยเรามีความสุขทุกๆศาสนาเพราะเราเข้าใจศาสนาที่เราทะเลาะ ก, กันเราทุกทุกวันนี้เพราะว่าเราไม่เข้าใจศาสนานะ ทุกศาสนาจุดเริ่มต้นที่พวกครูสรุปอย่างนี้ว่าตอนนี้เนื่องจากวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพัฒนาแต่เรื่องวัตถุเราศึกษาแต่เรื่องรูปธรรมเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งกล้าปฏิเสธนามมาธรรมด้วยถ้านไหนที่จับต้องไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยวิทยาศาสตร์ปฏิเสธหมดเห็นไหมแต่ถ้าทุกศาสนาแล้วเนี่ยทุกศาสนาพูดเรื่องนามธรรมาคือเรื่องจิตวิญญาณ นะจุดเริ่มต้นก็คือดีแล้วนะส่วนบางศาสนาก็ใช้อุบายว่าเออไม่อยากให้ลอกกรอบนะถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยจะปลอดภัยแน่นอนเราเชื่อพระเจ้าทุกทุกศาสนานี่เราปลอดภัยแน่แน่เพราะท่านเหล่านั้นสอนให้เราทำดีเห็นไหมสอนให้เรามีศีล ร, รมเพียแต่ว่าเทคนิคอุบายในการใช้นั้นอาจจะแตกต่างกันนะก็ ตลอดบัคูก็บอกว่ า, าศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงแม้กระทั่งพุทธาศาสนาพระพุทธเจ้าเองตัดไว้ว่ า, าศาสนาพระองค์อยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีาศาสนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เที่ยงมันเป็นแค่องค์กรหนึ่งที่สมมุติขึ้นมานะคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่เราเข้าใจ ท่านเป็นเจ้าแห่งพุท ธ, ธะคือเจ้าแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าช่วงนี้เราดูพระพุทธเจา้าวันที่ท่านตัดสู่แล้วท่านบอกว่าเราคือาศาสนาเราคือพุท ธ, ธะเห็นไหมตัวาศาสนาไม่มีโครงสร้างแต่ตอนนี้เราไปสร้างโครงสร้างาศาสนาพุทธเราก็มีพุทธบริษัทสี่มีวัดมีวามีอารามมีประเพณีต่างๆแล้วก็ยิ่งมายิ่งมายิ่งปรุงแต่งไปเรื่อยๆ นะแต่ในทางพุทธเองเนี่ยพระองค์เตือนเลยว่าพระองค์เตือนเมื่อสองพันกว่าปีก่อนอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพิ่งเชื่อตำราพระไตรปิฎกเป็นแค่ตำราเล่มหนึ่งไม่ใช่ธรรมะเพราะว่าตำราเขียนในรูปภาษาปุ๊บมันหยาบเกินไปละทุกวันนี้เราก็เห็นเห็นไหมจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หมายถึงมาตรวัดความรู้สูงสุดนะ คนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่านัตตาเพราะว่าเขาเถียงกันเพราะว่าเขาไม่เชื่อพุทธเจ้าเขานับถือศาสาพุทธเจ้าโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขานับถืออะไรนะพว ก, กูชื่นชมทุกศาสนาพวกกูเข้าใจทุกศาสนานะพกกูไม่ลังเลสง ส, สัยนะทุกศาสนาพวกกูเคยบอกว่าอิสลามเราเนี่ยพกกูต้องใช้คาว่าเราพกกูไม่แยกว่าของใคร นะศาสนาไม่ใช่สมบัติของใครทั้งนั้นแหละนะทุกศาสนาที่ท่านเข้าถึงทำเพ่งกับเจ่นว่าเอาท่านอ า, อาจจะตั้งกลไกลตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคำสอนพระองค์ทุกศาสนานะอิสลามเนี่ยมีการละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งไม่ว่าจะทำงานนี่ก็ปี่ออกมาเพราะคููเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเราอยู่กับงานมันวุ่นวายมากไปปีกปุ๊บหนึ่งมาตั้งสติหน่อยหนึ่งนี่นเป็นอุบายไงไ <c oughs> ม่ไงั้นเราจมอยู่ในอารมณ์นั้นนานๆเนี่ยจะเป็นบ้าเนี่ยขาดสติตีกันฆ่ากันน่ะนะไอ้คำพูดนี้เนี่ยคุณวันดิดาสันซื่อคุณเล็กเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในบริษัทเขาเห็นไหมเขามีห้องเลยนะไม่เรียกว่าละหมาดด้วยอะไรห้องคิดว่า พอเครียดปุ๊บเข้าไปในห้องโดยเฉพาะแนวเรามันปลดปล่อยเห็นไหมแนวเราซึ่งมันไม่มีแนวนะวิชาพ่อครูคือไม่มีวิชาไม่มีชื่อเรียกพ่อครูไม่เคยสอนอะไรเลยยี่สิบกปีเห็นไหมทุกคนทําเองเพ่อครูไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าต้องทําแบบไหนนะถ้าตั้งเป็นวิชาปุ๊บตั้งชื่อปุ๊บจะกลายเป็นลัทธินิไก่ นะตอนนี้มีหลายลทัทธินิกายนะเอาเอาอุบายวิธีในการฝึกจิตมาก็ไปตั้งเป็นแบรนดเ์เนมก็ขัดแย้งกันเองตอนนี้ทั้งโลกขัดแย้งกันเพราะว่าเราไม่เข้าใจาศาสนาจริงๆนะแม้กระทั่งอิสลามเราเนี่ยก็แยกเป็นหลายลทัทธินิกายแล้วตอนนี้ก็ลบกันค่ากันพุทธเองก็แยกหลายลทัทธินิกายแข่งกันทะเลาะบวแวงกันเห็นไหมทั้งหมดก็คือว่าคาสอนพระองค์ ท, ทุกพระองค์เนี่ยทุกทุกศาสนาเนี่ยพอออกมาในลูกของภาษาปุ๊บมันหยาบไปละไม่ใช่ทุกคนอ่านปุ๊บเข้าใจเลยถ้าอย่างนั้นดีนะอ่านปุ๊บบรรลุธรรมเลยไงส่วนสงังสังสายพุทธนี่พระองค์ก็เตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อที่ทํตามตา ม, ตามกันมาโอเคเอาเอาพุทธเรานะตอนนี้นะ เมืองไทยสายวัดป่าเห็นไมเคร่งเครียดทาอย่างยิ่งแล้วตอนนี้ก็ได้ยินข่าวคูบาอาจารย์ก็หลุ ด, ห ล, ด, ห, ลดหลุดไปทีละรูปเพราะท่านตั้งมั่นซื่อสัตย์กับวิธีการของท่านแต่โลกมันเปลี่ยนกิเลสมันขี่จรวดไอ้เทคนิคตรงนั้นน่ะมันไม่เท่าทันโลกแล้วผู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อที่ทําตามตา ม, ตามกันมาเห็นไหม ไม่ใช่มันไม่ดีแต่มันไม่ทันยุคทันสมัยเหมือนถ้าเกิดศึกสงครามเหมือนสมัยก่อนไทยกับพมา่าเห็นไหมสมัยสุขโขทยัยสมุททยาก็ช่างเนี่ยเราทำยังไงเราก็เตรียมช้างขึ้นขี่คอช้างถือเง้ยวถือเงาไปฟันดาบกันยุคนี้ทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้และสิ่งนี้พระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าห้ามทาตามใจนะ ใจมันเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเพราะเราเราตัดสินเพราะอคติเพราะเราชอบเพราะเราเชื่อเราไปหลงความเชื่อนั้นจนไปว่าคนอื่นเขาไม่ดีพระพุทธเจ้าเองไม่ให้กระทําอย่างนั้นพระองค์บอกว่าต้องทําตามเหตุและปัจจัยเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนนะโดยใช้คำว่าทำไมเรียกพุท ธ, ธะสาหรับพระกูแล้วไม่ใช่ลทัทธินิกาย พุทธะแปลตรงๆคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์สอนให้เราเกิดปัญญาคนมีปัญญาต้องไม่ซื่อบือ้ยยึดมั่นถือมั่นในศรัทธาแบบหลงงมงายนั่นพระองค์ไม่ได้สอนนะก็คำถามเมื่อกี้ว่าถามว่าควรภารวนาตัวเป็นพุทธศาสนาอาไม่ต้องครับไม่ต้อง ก็ศาสนาที่เราเคยนับถือมาแล้วเมื่อเขามีกติกาอย่างนั้น่ะโอเคเราก็รับรู้ศาสนาก็เป็นแค่สมมุติแต่เราอย่าไปทำลายสมมุติเหมือนถ้าเราภาวนาตัวบป๊ บ, บ, บ, บเนี่ยมันก็เกิดการขัดแย้งกับตัวนั้นซึ่งไม่ควรทำจิตรู้เองว่าตอนนี้เรายังไม่แข็งแรงเด็กๆต้องยึดพ่อแม่ก่อนนะเหมือนพุทธเราเนี่ยหลายปีก่อนทะเลาะเบาแวงกัน สายนึงบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยหลงงม ง, งายไหว้ก้อนอิดก้อนหินก้อนปูนไหว้พระอิฐพระปูนเห็นเขาก็ทำวิธีสมโพธ์ไหว้พระจริงๆพระจริงๆคือคื อ, คอตัวคน <c oughs> นะก็ก็เกินไปสุดตรงแล้วคุณมั่นใจยังว่าคนนั่งอยู่ที่นี่เสื้อผ้านุ่งแบบนั้นก็ชั่งเน่ยเขาเป็นพระแล้วเห็นมนุ่งห่มเป็นจีวรเฉยๆสมมติว่าอย่างนี้นะ่ ถ้าจิตยังไม่เข้าถึงก็ยังไม่เรียกพระก็เช่นเดียวกันมันไม่สำคัญหรอกเอาก้อนหินมาตั้งไว้แล้วเรากราบไหว้แล้วรู้สึกว่าเออเราตั้งมั่นบา เ, เพ็ญเพียรพระพุทธรูปนี้เป็นแค่สัญลักษณ์เหมือนเรามีรูปในหลวงอะไรเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์ของพระ อ, องค์นะเหมือนเป็นการเตือนสติให้เรารู้กตัญญูรู้คุณไม่ใช่กราบไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศได้หูทิฟตาทิฟเห็นไหมทุกวันนี้เราเหาะไปกรุงเทพชั่วโมงเดียวหูทิฟฝรั่งเศสคุยกันรู้เรื่องเห็นไหมตาทิฟเขาแสดงละครอยู่ลอนดอนเรารู้เรื่องมันไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์แต่สําหรับพระครูแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์สอนเราว่าต้องพึ่งตนเอง อัตติเหียอตโนนาถูกที่เรากราบวไหว้นี่เพื่อแล้เลื่อนถึงเราเชื่อมั่นคําสอนพระองค์ว่าเราต้องทําเองไม่ใช่เชื่อพระองค์บุ๊บแต่ทุกอย่างดีหมดพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแล้วพระครูก็ชื่อว่าทุกๆศาสนาที่ตั้งศาสนาขึ้นมาเนี่ยท่านเหล่านั้นเห็นทำหมดเพียงแต่ว่าเทคนิคในการนําเสนออาจจะต่างกันนะแล้วก็ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นไในรูปแบบเก่าๆ เ, เนี่ย โดยไม่รู้เท่าทันโลกมันเปลี่ยนเนี่ยนะเห็นไมเทคนิคนั้นอาจจะกำลังไม่ถึงไม่ต้องอย่างอื่นนะเอาว่าพุทธเองเนี่ยถ้าพุดเเข่งๆข่งพุทธโดยสายเมืองไทยสายเทยรวาสเนี่ยถ้าไม่เปิดใจเขาก็รับที่เราทำไม่ได้เพราะเขาติดรูปแบบว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เห็นไมถ้าจิตไม่อิสระจริงๆเนี่ยไม่กล้าทำแบบนี้นะ พ่อครูย6ปีเนี่ยพ่อครูเชื่อว่าทุกศาสนาเริ่มจากมีเจตนาดีก่อนนะมุ่งมั่นให้ทุกคน ป, ป, ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละนะนะทีนี้ถ้าในสายพุทธเองเนี่ยหลังจากพ่อครูระเบิดพ่อครูไม่อ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้ว แต่ช่วงห้าหปีที่ผ่านมาเนื่องจากเราเปิดตัวไปบรรยายล่ะก็ถูกยิงคําถามจากผู้รู้ต่างๆก็ไม่เป็นไรนะเมื่อเรายินดีเป็นผู้ให้แล้ ว, ลวก็อย่าไปอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้เธออย่าไปติดความรู้นะก็ไม่ต้องพูดเพราะยุคนี้เนี่ยความรู้มันประเมินจากวิชาการวิชาการเขาเป็นแค่ทฤษฎีนะ แต่เขาประเมินังทฤษฎีนี้ประเมินได้ว่าเออใครขยันอ่านเยอะประเมินว่าเธอมีความรู้เยอะเพราะเธออ่านเยอะนะประเมินความรับผิดชอบเท่านั้นเองแต่ทฤษฎีนั้นถ้าคุณไม่ผ่านการปฏิบัติหรือการทดลองทดสอบแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญญาไม่ได้นะโดยเฉพาะความรู้ซึ่งเกิดจากคนอื่นบอกเราต้องทาอย่างนั้นต้องทาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะถนทางสายพุทธแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้น พคนเตือนเราเลยอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆสิบอย่างนั่นเลยเห็นไหมแม้กระทั่งการทำทรมาปฏิบัติมาเนี่ยอย่าพิ่งเชื่อที่ทำตามๆกันมาเห็นมมันไม่ทันยุคทันสมัยจิตมีปัญญาต้องรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้เท่าทันมันรู้คำว่ารู้ธรรมเนี่ยไม่ได้ไปรู้ภาษาบาลีหรือภาษาอาหรับหรือภาษาอินเดียโบราณไม่ใช่คือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง รู้ความเป็นจริงว่าโลกตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมโลกมันร้อนขึ้นเห็นไมถ้าเรารู้ว่าเรารู้แล้วมันร้อนเพราะอะไรนะมันจะเกิดอาลยสัตว์สกับเราเรารู้ว่าเออที่มาที่ไปของมันอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราไปหยุดคนทําลายโลกไม่ได้เราก็หยุดตัวเองได้เพื่อจะไม่สร้างกรรมร่วมกับเขาเท่านั้นเองนะก็พ่อครูหยุดตัวเองมา26ปี เราเห็นชัดเจนว่าเรากำลังสร้างกรรมเราเข้าใจชีวิตผิดนะแล้วก็พ่อครูหยุดโลกไม่ได้มันก็ต้องเดินไปตามกฎแห่งกรรมของมันแต่พ่อครูหยุดตัวเองได้นะก็คำถามนี้ก็ให้คิดว่าเรากาลังเลือกหาหนทางสภาวะวิธีฝึกจิตเนี่ยเราก็หาวิธีที่มันเหมาะกับเรานะ ที่มันมีกําลังที่จะสู้กิเลสสมัยใหม่ได้ที่มันฉี่จรวดเราจะมัวเดินต้มตเตี๊มเตี๊มเหมือนรถขายโอ่งเนี่ยกำลังเราไม่ถึงเท่านั้นเองนะจิตซึ่งมีปัญญาแล้วต้องไม่ติดบ่วงอะไรแต่เราต้องอยู่เหนือสมมุติต่างๆทุกศาสนาเป็นสมมุติเท่านั้นเองแต่หลีกเลี่ยงการทําลายสมมุตินะการทําลายสมมุติก็เป็นการสร้างกรรมใหม่มันจะเกิดการขัดแย้งไมพวอกูเคยเจอฝรั่งคนหนึ่ง เขามาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณตอนนี้เขาไม่มีศาสนาและพ่อครูไม่เคยบอกเขาให้นับถือศาสนานะเขาบอกว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้เขาต้องการยุบศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ตอนนี้ศาสนาเป็นตัวขัดแยง้งจริงๆแล้วคำสอนของศาสนาทุกศาสาเนี่ยไม่มีอะไรเสียหาย แต่คนในศาสนาทุกศาสนาทุกวันนี้ไม่ระวังตัวถูกกิเลสตัณหาอุปทานครอบงำแล้วเนี่ยก็มีความอยากเยอะนะก็อ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองแล้วก็ถูกุดท้ายฉันก็ฆ่าเธอเธอก็ฆ่าฉันอันนี้พรากูใช้คำว้าน่าเสียดายมากนะแล้วก็ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่กี่พันปีนี้เองจริงๆแล้วความเป็นจริงตามธรรมชาติไม่มีศาสนาแบบนั้น แต่ศาสนาตัวจริงๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากจิตเรานะเมื่อจิตเราเข้าถึงธรรมชาติจริงๆล่ะนั่นคือศาสนานะแต่ตอนนี้ผมมาตั้งเป็นองค์กรปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถูกยุคสมัยค่อยๆกืนนะแม้กระทั่งพุทธเนี่ยไปพูดให้มันขังว่าถ้าใครบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายแล้วไม่บวชตาย ร้อนอะไรแบบนี้นะจิตวิญญาณมันไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายหรืออาชีพส่วนพุทธศาสนาเราเนี่ยเขาใช้อุบายว่ามาตั้งเป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยเพื่อแบ่งหน้าที่กันนะก็ถึงพัฒนามาจนทุกวันนี้พวกกูประกาศแรงๆเลยว่าพวกกูถูกบังคับให้นับถือพุทธศาสนาตั้งแต่กำเนิดโดยที่พว ก, กูไม่รู้คืออะไร แต่หลังจากมันเกิดอาการโบทอัลลาเบิดแล้วเนี่ยพาะครูก็มองใจเป็นกลางทุกศาสนาไม่มีอะไรเสียหายทุกคำสอนดีหมดแต่คนอยู่ในศาสนาทุกวันนี้น่ะยังเข้าไม่ถึงยังไม่เข้าใจคำสอนจริงๆก็เลยขัดแย้งกันนะก็คือใช้คาว่าหน้าเสดยดายมากถ้าเราเกิดอยู่ในยกหินอยู่อะไรเราก็ไม่รู้หรอกเราแยกแยะไม่ได้อัไรมันควรไม่ควรเห็นไ้ม แต่คนยุคหินเขากลับกิเลสไม่เยอะนะเขาหิวหิวก็กินง่วงก็นอนนะถึงเวลาก็ไปหากินก็มากินกันก็อยู่กันเขาไม่หาเรื่องทะเลาะกันทุกวันนี้เนี่ยคนเก่งเกินไปถูกพัฒนาความรู้ก็องความรู้เนี่ยมาห้ำหั่นกันเพราะมันเป็นสังคมวิตกจริตมนุษย์เราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดนะโดยเฉพาะเจ็ดปปีที่ผ่านมาเนี่ยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้ชนะสงครามเป็นตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีและตุ่มเปะเลยแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและเอาอะไรมาแข่งขันเอาวัตถุเป็นตัวแข่งขันวัตถุเกือบร้อยทั้งร้อยเนี่ยทุกหนึ่งชิ้นในกระบวนการผลิตมาเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมมากหรือน้อยเท่านั้นเองเราต้องใช้พลังงานพลังงานทุกอย่างมาจากทําลายสิ่งแวดล้อมนี่เป็นกรรมหนักนะ ทำให้โลกร้อนขึ้ น, นข้างล่างก็เป็นโพรงหมดล่ะเอามาขึ้นมาแบบล้างผ่านมนุษย์เราต้องรับกรรมนั้นถ้าพูดถึงคําทํานายทุกาศาสดาทํานายไวแล้วว่าเมื่อคุณสร้างกรรมก็เกิดตอนนี้มนุษย์ต้องรับกรรมนั้นเราเบรกไม่อยู่ล่ะนะส่วนผู้รู้เนี่ยเราเห็นปุ๊บเราไม่สะทุกสะท้านโลกแตกเราก็ตายโลกไม่แตกเราก็ตาย สำคัญที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองนะก็แบบไหนก็ได้ครับแม้กระทั่งทุกศาสนาก็แยกเป็นหลายลัทธินิกายเพราะว่าความเชื่อหรือว่าถ้าในทางโลกบกรสนิยมไม่เหมือนกันนะที่เราเรียกว่าจริต ไ, ไม่เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ขอให้ทําจริงเท่านั้นเองนะให้ทําจริงๆ แต่ตอนนี้จริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งมันถึงมีเรื่องไงโอเคนะก็อีกคำถามหนึ่งทางสายกลางคืออะไรเพราะกูจำได้ว่าคำนี้ก็เคยเคยถามมาแล้วนะก็ก่อนอื่นก็บอกก่อนว่ามันไม่ใช่ครึ่งครึ่งกลางๆ ไม่ใช่ครึ้ น, น, กนๆกลางๆดีครึ่งหนึ่งชั่วครึ่งหนึ่งขยันครึ่งหนึ่งขี้เกียจครึ่งหนึ่งนะทางสายกลารนี่ต้องตั้งมั่นมีวิริยะอย่างยิ่งแต่ทําแค่พอดี <c oughs> ทีนี้คำคำนี้เริ่มเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเกิดขึ้นเนื่องจากพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงเรียกว่าปฐมเทศนา หลังจากพระ อ, องค์บรรลุธรรมแล้วเนี่ยเป็นสูตรแรกที่เอามาแสดงเรียกว่าปฐมเทศนานะหรือเทศกานแรกเทศแก่พระพันจวักขีทั้งห้าลูกนะที่ปายิสิ ป, ปะตะตะนะุษย์ลุขไทวันเรียกเต็มว่าธรรมจักกับปวนสูตรธรรมจักกับปวนสูตรนะ ซึ่งเป็นพระสูตรว่าด้วยการยังพระธรรมมาจากให้เป็นไปคือให้มันเคลื่อนมือนรถยนต์เนี่ยเข็นให้มันเคลื่อนนี่เป็นครั้งแรกที่พระองค์เอามาแสดงนะถือว่าด้วยการหมุนวงล้อทําให้มันเคลื่อนไปเนะีเป็นประถมนิเทศที่พระองค์เอามาแสดงในวันเพ็ญเดือนแปดซึ่งเรียก กันมาว่าปฐมเทศนามีสาระสําคัญคือแสดงถึงทางที่ไม่ควรดําเนินแสดงถึงทางที่ไม่ควาควรดําเนินหรือสุดโต่งสองส่วนพว้องไปตัดสรุว่าในจักรวาลในโลกจักรวาล น, นี้ในทุกๆสปปรรพสิ่งนี่มีของคู่ตลอดซึ่งซึ่งลัทธิเตา๋าเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์เนี่ยลัทธิเต๋าเนี่ย เกิดทิ้งประเทศจีนเนี่ยพร้อมๆกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่อินเดียในยุคเดียวกันและที่เต๋เขาชูธงเรื่องของคู่อินหยางขาวดำเ ใ, ในพลังงานดังอย่างมันจะมีขั้วลบขั้วบวกในมันทุกอย่างมีผู้ชายมีผู้หญิงมีขาวมีดำมีดีมีชั่วมีถูกมีผิดนพระองค์ไปเห็นเรื่องนี้นะ คือแสดงถึงทางที่ไม่ควรดำเนินหรือสุดโต่งสองส่วนแล้วก็แสดงถึงทางที่ควรดำเนินคือทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาแสดงถึงอริยสัจรีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะอันนี้มันเป็นภาษาพูดนะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ย ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการคือเรามีทุกเป็นประธานนะและพระองค์เห็นว่าต้นเหตุแห่งทุก ค, คือตัวตันหาคือตัวสมุทยัยนะแล้วก็นิโรธคือนิพพานเนี่ยนะก็ทุกมีไวให้เห็นสมุทัยมีไวให้ดับถ้าเราดับได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าสู่นิโรดนิโรธเนี่ยคือความดับทุกแล้วทีนี้พระองค์ก็สอนวิธีดำเนินก็คือมัด นะทีนี้ทำรรมจาจักกับโพนสูตรมีผลคือทำให้โกนทัญญะหัวหน้าปัญจวคีได้ดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นภาษาวกองค์แรกในพุทธศาสนาได้ดวงตาเห็นธรรมบางคนอยากเข้าใจนะดวงตาเห็นธรรมฉันบรรลุธรรมแล้วก็บรรลุเบื้องต้นนะขั้นต่าสุดคือโสดาปฏิมาขึ้นไปนะ บางคนระเบิดระเบิดมันเกิดอาการระเบิดปุ๊บคือจิตมันหลุดพ้นในเวลานั้นมันดวงตาเห็นธรรมเราเข้าไปสู่กระแสมากแล้วหลายคนก็หลงมันไปหลงสภาวะนะเป็นผู้วิเศษแต่แล้วเนี่ยพ่อครูเตือนตลอดเวลาถ้าพ่อครูไม่จับศรานะคำเตือนพ่อครูมันไม่มีน้ําหนักเราจะหลงตรงนั้นแล้วมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าจิตวิปลาสเพราะเรายังมีกิเลสอยู่เราไปเจอสิ่งที่อู้ชั้นสภาวะทำสูงกว่าคนอื่นชั้นบริสุทธิ์แล้วนั่น ไปหลงว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเนาะเรื่องจิตวิญญาณระวังนะถ้าตั้งใจทําแล้วเนี่ยมุ่งมั่นถ้าเราไม่มุ่งมั่นเราจะสู้กิเลสเราไม่ได้เพราะกิเลสมันชอบอะไรพิเศษกว่าคนอื่นท่านในสายพระเนี่ยเขาก็ป้องกันไว้แล้วอย่าอวดอุตตรีมนุษยธรรมมีจริงก็ช่างไม่มีจริงคุณอย่าพูดเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดอะมันพิสูจน์ไม่ได้คนมันถึงเอาตัวนี้เนะี่ยมาหลอกคนไง มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเมื่อเรื่องเฉพาะตัวแล้วเนี่ยคุณก็รู้เฉพาะตัวคุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าเขาเป็นยังไงบอกอยังไงมันก็ไม่เข้าใจนะเห็นอะไรเวียงทิ้งเวีย ง, งทิ้งหมดเรามาปฏิบัติเพื่อเราจะเลิกเป็นเราเป็นยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วก็เป็นมาหลายชาติล้วถึงจะได้มาเกิดอีกไงนะทุกคนมีกิเลสทั้งนั้นแหละนะ พอเวียงไปไปเจออะไรพิเศษหน่อยหนึ่งมันจะไม่ติดได้ยังไงแต่ถ้าศรัทธาครูบาจารย์บอกว่าเวียงทิ้งก็เวียงทิ้งเถอะบางทีเสียดายเวียงทําไมออสแสวงหามาตั้งนานแล้วเห็นไหมแม่หน่วมันพิเศษมันถึงลหลอกเราได้ไม่พิเศษมันลหลอกเราได้อย่างไรนะถ้าเรามุ่งมั่นนะผ่านความพิเศษนั้นเราจะเจอสิ่งหนึ่งที่พิเศษยิ่งกว่าอีกเยอะแยะเลยพิเศษจนไม่ต้องพิเศษ ไม่ต้องมีใครแบกความวิเศษนั้นดูมันวิเศษแค่ไหนนมันก็ไม่ใช่ผิดนะก็เป็นกรรมไงกรรมที่เราฝึกให้เรามีกิเลสอยู่มันก็ต้องไปติดสักพักหนึ่งเพราะครูถึงบอกแล้วเนี่ยถ้าคุณอย่าหยุดเดินทางคุณทำไปเรื่อยๆคุณก็รับกรรมนั้นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทรมาจากหรือวงล้อทำเนี่ยใช้เป็นเครื่องหมายหรือสั ญ, ญลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาอย่างเราเห็นนะข้างหลังมีธรรมจักรนะทางพุทธศาสนามีลักษณะเป็นรูปวงลอ้อมี8ดซี่บ้างหรือส2สงซี่บ้างหลายแห่งไม่เหมือนกันนะนะแล้วแต่เขาจะเน้นจุดไหนนะบางแห่งมีหซี่นะมันแล้วแต่ว่าเขาจะเน้นจุดไหนที่นี่8ซี่เนี่ยโดยเน้นความหมาย ที่ต่างกันคือแปซี่หมายถึงมรรคมีองแปดคือเป็นสัญลักษณ์เตือนเราว่าอยู่ในมรรคในทางนะนะเหมือนเตือนสติเราอยู่ในมรรคในทางนะอย่าทําอะไรมันนอกกรอบนะแล้ว12ซี่เนี่ยเขาเน้นความหมายคืออาการหมุนของอริยสัจสี่นะหรือเรียกว่าปฏิสมบูรณ์ บ, บาทก็ได้12ขั้นตอนนะอันนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เฮ้ยธรรมจักรเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราหมุนกงล้อในธรรมจักรเราเข้าไปในจิตได้แล้วเรารู้ว่าธรรมจักรคืออะไรอะไรหมุนนั่นแหละอัญญาขณัญญะฟังธรรมปุ๊บจิตมันหมุนมันอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นก็ดวงตาเห็นธรรมอันนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ความจริงคือมันอยู่ข้างในพระองค์แสดงธรรมบางทีเขาสะสมพลังมามากแค่ทำนั้นทําให้กระจ่าง ปล่อยวางความหลงติดตัวนั้นแค่นิดเดียวปุ๊บจิตมันก็หมุนมันก็อิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็ขั้นต้นคือโสดาบันแต่บางคนพาหิยะชาตินี้ไม่เคยบำเพ็ญเพียรมาเลยเป็นพ่อค้ายังมีโลภโกรธหลงบุญเก่าส่งมาเจอผู้เจ้าผู้เจ้าแสดงคำเดียวสัตตรวะรู้สัตธรรมเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสิน แค่นี้ก็บรรลุอรหันต์แล้วไงเอาทำไมไม่มาทีละขั้นทีละสดาบันล่ะเราสะสมบารมีมาไม่เหมือนกันนะแต่ต้องรู้ว่าธรรมจักคืออะไรกันแน่รูปธรรมจักในบางแห่งก็มีกวางมอบอยู่สองข้างสื่อความหมายว่าทรงแสดงธรรมครั้งแรกในป่าคือป่าอิสิปะตะ ะมะเลือกข่ายวันนั่นเองทุกอย่างเป็นแค่สัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นการเตือนสตินะผู้เจ้าันรล้ทําในป่านะไม่ใช่อยู่กับแสงสีความมั่งคั่งร่ำรวยนะทุกอย่างคือสั ญ, ญลักษณ์เตือนสติบางทีโจรคนหนึ่งเนี่ยพ้นเข้ามาหนีมาตารวจไล่มาอยู่นะถ้าโจรันรล้พื้นฐานมันไม่รู้ตรงมากหรอกตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยมันถูกบังคับห้เป็นชาวพุทธ แม่ก็พาไปวัดก็ไหว้ไหว้ไว้หเจอพุทธรูปมันก็ยังหยุดๆุดไหว้นะแล้วก็วิ่งต่อนะมันเป็นแค่สัญลักษณ์เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเราเนี่ยเห็นไหมจนลึกๆมันก็กลัวบาปเหมือนกันนะแต่เนื่องจากความอยากมันมากกว่ามันก็ไปปล้นเขานะก็ความหมายของทางสายกลางนะ เนื่องจากสปปรรพสิ่งในส า, นากลจักรวาลเนี่ยประกอบด้วยของคู่ทั้งนั้นแหละนะผู้เจ้าก็ไปตัดสั้ว่าถ้าเราสุดตรงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเราสุดตรงทุกวันนี้เราสุดตรงอะไรรู้ไหมมนุษย์เราเนี่ยสุขนิยมทุกคนเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเพื่อจะเอาเงินซื้อความสะดกสบายไปเสพสุขถ้าเราไปสุดตรงตรงนี้นี่ทุกมันก็ไม่ละเวน้นเรากํลาลังสุขอยู่เพราะเราสูญเสียมันไปหรือว่าเขามาแย่งเราไปเราก็ทุกข์ไง พระพุทธองค์ลองแล้วพระองค์เกิดมาในกองเงินกองทองในมหาสปสสารราชมนเที่ยนนะเสพสุขพระองค์ก็เศร้าเศ้ า, าเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเนื่องจากบา ร, รมีเก่าทําให้พระองค์ไม่ไปหลงติดมันพระองค์ก็เลยออกไปสแสวงหาหนทางไถ่าบาปหรือพ้นทุกข์พระองค์ก็เลยลองในสิ่งที่พระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าตรงกันข้ามกับสุขเลยทรมานสังขารอันนี้เรียกว่าทุกนิยมก็ไม่พ้นทุกข์ เห็นไหมจนไม่กินไม่กินไม่นอนนั่งอยู่ตรงนั้นแหละผอมโซมีแต่ออกนานๆออกมาก็ล้างหน้าหน่อยหนึ่งจนสุดท้ายน้ำก็ไม่ดื่มแล้วก็ไม่มีพลังล้มลงไปเห็นไหมก็เจอสาวนอกคนหนึ่งนางสุชาดาเห็นไหมก็เอาน้ำมาเทใส่อะไรๆเนี่ยนางสุชาดาก็ กาบเรียนถามเจ้าชายยิาว่าท่านกาลังแสวงหาอะไรเหลอนะพระองค์ตอบว่าเรากําลังแสวงหาทางไถ่บาปหรือทางพ้นทุกข์ผู้หญิงมันนอกคนหนึ่งพูดซื่อว่าท่านจะแสวงหาอะไรก็ช่างไม่รู้หรอกคํำพ้นทุกข์อยู่ไหนท่านจะแสวงหาความพ้ทุกข์โดยสุขภาพแบบนี้เลยคำคำนี้เนี่ยเจ้าชายยิธานี่ตื่นขึ้นมาเลยนะพระองค์ก็เป่องออกมาเองเนี่ย นางสุชาดาเนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกที่ทำให้พระ อ, องค์เนี่ยเข้าใจเรื่องทางสายกลางเนี่ยคือทางสายกลางมันเกิดจากนั้นทีนี้ทางสายกลางนี้เนี่ยไม่ใช่ใช่เฉพาะคนปฏิบัติธรรมนะในชีวิตเราไม่ว่าจะรัธิศาสนาได้ชงเผ่าไนก็ช่างถ้าเป็นภาษาโลกว่าทำแค่พอดีทีนี้พอดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน เขาตัวใหญ่หน่อยเขากินข้าวสามชามอิ่มพอดีเราตัวเล็กเรากินชามหนึ่งพอดีคนนี้คนกลา ง, กงๆกินสองชามอยู่พอดีอย่าไปเถียงกันเธอทำไมกินมากกินน้อยเราต้องรู้ว่าความพอดีของเราแค่ไหนแต่ถ้าเราสู้ความอยากไม่ได้มันอร่อยมากเลยธรรมดาสามชามอิ่มเปี้ยเลยกินมันหกชามเลยแลยสกูไปยังไงท้องอืดทุกข์พอไปกินมันไม่อร่อยเลย นะจริงๆแล้วกินชามหนึ่งตอนนี้ช้อนเดียวฉันก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวสักครู่หิวก็ทุกข์อีหละเพราะมันไม่พอดีนะทีนี้สายกลางไม่ได้ว่าปฏิเสธดีปฏิเสธชั่วนะไม่ยอมรับมันทั้งสองอย่างแต่ไม่หลงมันเพราะเราจะให้คนดีทั้งโลกเลยไม่ได้เขาชั่วก็เรื่องของเขาไม่ใช่ เราไม่มีหน้าที่เป็นยมพบาลไปตัดสินเขาเขาติดดีกัเรื่องของเขาแต่เราอย่าติดบังหาเห็นไมถ้าเกิดบางครั้งนี่รถเราเซปุ๊บมันจะมาอยู่เลนซ้ายแล้วก็วิ่งเลนซ้ายแต่เราไม่ไปติดมันมันมาเลนขวาแล้วก็วิ่งเลนขวาแต่เราไม่ไปติดมันก็ได้เนี่ยคำว่าว่างไม่ได้แปลว่าไม่มีซ้ายมีขวามีดีมีชั่วมี แต่ว่างจากการไปหลงติดมันนี่คือทางสายกลางเป็นทางทางเดียวที่เราจะทําให้เราไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยหน่อยหนึ่งหรือพ้นทุกข์ก็พ่อครูเห็นตรงนั้นพราครูวินาทีนั้นพราครูเลิกนับถือพระริเจ้าทันทีเลยบูชาถวายชีวิตพ่กคูไม่ได้ถวายชีวิตให้พุทธศาสนาพ่อคูถวายชีวิตให้พระเจ้า พระ อ, องค์คือธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่พระเจ้าเป็นตัวบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นั่งเถียงกันตายไม่มีประโยชน์หรอกเอาเป็นว่าเออเป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันนะคือสุดท้ายแล้วเดีกลับคืนสู่ความว่างความว่างนี่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลหลายๆจักรวาลลอยทุบป่องทุบป่องอยู่บนความว่างมันกว้างใหญ่ไพศาลจนล้อมลัวไม่ได้นั่นคือธรรมะ แต่ตอนนี้ธรรมะกลายเป็นรูปแบบนะโดยเฉพาะตั้งเป็นรูปแบบศาสนามันไม่ได้ผิดนะก็เหมือนเรามีโรงเรียนนั่นแหละเรามีโรงเรียนสองแห่งใช่ไหมแต่โรงเรียนนี้ไม่ใช่ของพ่อครูเราไม่ได้เราไม่ได้ติดว่าเป็นของกรูเรารู้ว่าโรงเรียนมีประโยชน์เป็นเครื่องมือให้เด็กมาเรียนรู้เป็นอุบายช่วงวัยที่มันยังแยกแยะถูกผิดไม่เป็นก็อยู่ที่นี่เห็นไมเออแล้วก็เรียนรู้การดารงชีวิตการบริหารชีวิต แต่ตอนนี้การศึกษาเป็นอะไรเป็นธุรกิจการศึกษาหมดนะเมื่อสามวันที่ผ่านมาพวกครูให้ครูสั้งสองโรงเรียนเนี่ยเดินทางไปกรุงเทพไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่กรุงเทพที่นักเรียนเขามากที่สุดในกรุงเทพแล้วก็โรงเรียนสวยที่สุดในประเทศไทยผู้บริหารเขาเนี่ยพวกครูเรียกว่าหญิงเหล็ก หญิงเด็กเป็นคนจริงเรียนจบสูงสุดด็อกเตอร์ทางต่างประเทศคือเอาจริงนะเพราะกูก็เคยไปเยี่ยมครั้งหนึ่งเพราะกูก็เห็นผลงานของเขาทีนี้เนื่องจากเขาเป็นคนจริงเนี่ยอะไรต้องทำเขาทำหมดเพราะโรงเรียนตัว น, นี้ก็การเป็นการแข่งขันเป็นธุรกิจการศึกษาถ้าไม่ทำจริงเนี่ย ยิ่งองค์กรใหญ่ๆนะค่าไฟเดือนหนึ่งสองสามล้านพนักงาน500รถ้าเกิดไม่ทำดีเขาไม่มาเรียนกับเราก็เจ๊งไงนะที่ผ่านมาเขาก็ทำทำทำเพราะมันอยู่ในเกมขี่หลังเสือแล้วเาก็ทำนะก็กลายเป็นว่ามีนักเรียนมากที่สุดในกรุงเทพเลยแสดงว่าถ้าผลงานทางโลกก็ถือว่าสำเร็จระดับหนึ่ง แต่ในแง่ชีวิตผู้บริหารก็เครียดคนในองค์กรก็เครียดแสดงว่าสุดโตงที่นี้เนื่องจากเป็นคนจริงเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแปลว่าเป็นคิดแบบวิทยาศาสตร์คือไม่หลงงมงายเนี่ยเขาก็าหาวิธีแก้สุดท้ายเขาได้ยินข่าวศูนย์ก็เอาครู300รอคนมาอยู่ที่นี่เอาจริงๆเวลามาปฏิบัติจริงๆ พระแขกทำอาหารไม่ได้พิเศษนะปกติใครมเ า, เาเข้าค่ายก็ททำแบบนี้แหล ะ, ะผู้บริหารบอกว่าไม่ได้ฟุงๆๆฟ้งเฟอฟุ้งเฟยนะถ้าหม้ อ, อกแกงหม้ อ, อ ก, ก็พอนะแต่ทำบุญกับพวกครูเยอะมากนะแต่เขาฝึกครูเขาเป็นอย่างนั้นคนอื่นพูดเ็าบอกไม่ฟังเขาเป็นคนตัดสินใจ พอมาคุยกับพ่อครูพ่อครกูก็พูดให้ฟังนะแกก็ยอมปฏิบัติแล้วไม่กินข้าวได้ไหมไม่ถูพื้นก่อนแต่ครูโรงเรียนเรามาปุ๊บนี่เคยไหมจับไม่กวาดไม่เนกะูไปเลยที่นี่พ่อครูเขาก็ส่งครูมาเรียนรู้ที่นี่อยู่ๆพ่อครกูก็ส่งครูไปเรียนรู้กับเขา เขาก็ถามพวกครูว่าพวกครูจะให้ครูมาดูอะไรนะพวกครูบอกว่าพวกครูไปสัมผัสกรุงเทพแล้วลครูที่กรุงเทพเนี่ยตรึงเกินไปแต่ผู้บริหารนี่เก่งมากเขาก็หาวิธีเนี่ยผ่อนคลายความตึงนั้นเห็นไหมเขาแก้เขาเจอเขาแก้ แ, กแต่ครูที่นี่มันยานเกินไปยานต่องแต่ง เพราะคูส่งไปให้ผู้บริหารที่นู้นเติมน้ํามันให้หน่อยเออเขาบอกแค่นี้แค่นี้บอกครูที่นี่เป็นคนดีหมดอ่ะมันไม่ได้ชั่วสักคนหนึ่งแต่เขาไม่รู้เท่าทันโลกโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนอาเซียนกันลังจ่ออยู่เนี่ยถึงสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนก็อาเซียนมาแล้วตอนนั้นระวังภยัยระวังภยัยความวุ่นวายจะเข้ามาการแย่งงานกันเกิดขึ้นทุกยอมยา่านะ จำให้ก่อนเราอยู่แบบครูที่นี่ดีแล้วนะถ้าทางฝรั่งเขาบอกว่าสโลไลฟ์นะช้าชาได้พาเล่มงามอยู่แบบเต่าอยู่แบบเตา่บบเตานี่อายุเป็นพันปีนะนะแต่ทุกวันนี้อยู่ได้ไหมเดี๋ยวมันจะมาจับเต่าไปกิน <c oughs> เพราะมันแย่งอาหารกันแย่งทรัพยากรค่าแรงเราก็ แพงกว่าเขาการทํางานเราก็ขี้เกียจกว่าเขาเพราะเราไม่เคยลําบากถ้าเออหรอเหยอย่างนี้เนี่ยตายหมดนะก็วันก่อนก็พูดให้ฟังนะมีญาติธรรมมาจากหลวงปบางสตรีสองท่านคนพี่มาจากลัสเวกัสที่อเมริกาคนน้องเป็นช่างเสริมสวยไม่ใช่ช่างเจ้าของร้านด้วยเปิดที่หลวงปบาง ก็มาเล่ากูพกบอกเออล้งพะบางพ่อคูเคยไปหลายปีนะเป็นเมืองที่ยังน่าอยู่เป็นมรดกโลกมันคงไม่ให้สร้างตึกอาคารสูงๆหรอกไม่ใช่มรดกโลกแบบวัดพระแก้วหรืออะไรเป็นว่าอย่างเดียวนะทั้งเมืองเป็นมรดกโลกเออคงเอาอยู่เขาบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วพวกก่อกูนะอาเซีนยนจะเข้ามานี่โอ้คนไปเที่ยวเยอะเปิดประตูเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้ละพ่อครูก็แปลกใจเอ้ะ คนเขาไปเยอะคนเที่ยวเยอะเศรษฐกิจก็ดีสิใช่ไม้มน่าจะอยู่ได้ใช่ไม้มพ็กครัวทำไมอยู่ไม่ได้เขาบอกจีนก็มาเปิดเวียดนามก็มาเปิดเทคโนโลยีเขาเก่งกว่าเราเขามีแอร์คอนดิชันด้วยแล้วก็พอคนมาเที่ยวเยอะๆค่าครองชีพ ม, มันสูงค่าเช่าร้านก็กแพงขึ้น จริงๆแล้วอาชีพนี่โรงเรียนเราก็เปิดใครพวกว่าพวกว่ามั่นคงที่สุดเลยนะขอให้ไปเรียนรู้วิชาติดตัวแล้วแต่และ ว, วันเราลงทุนแค่ฝีมือเราใช่ไหมตัดผมเสริมสวยก็บอกไม่ใช่แล้วค่าเช่ามันแพงขึ้นค่าของชีพมันขึ้นคู่แข่งมากขึ้นตอนนี้เขาไม่คุมกำลังจะปิดร้านแล้วคนไทยเราอยู่อย่างนี้เราอยู่แบบ เรียบง่ายสมัยก่อนถ้าปิดประเทศไม่คนอื่นมายุ่งเราล้วก็อยู่ได้นะถ้าเปิดแล้วเป็นยังไงนะนั่นแหละพรกครูรู้เท่าทาันโลกที่ผ่านมาพรครูไม่ได้บอกเออมันอยู่อย่างนี้ก็ดีเราอยาไปหาเรื่องทุกข์ <c oughs> ถ้าเลือกได้นะไม่ต้องมีโรงเรียนปิดโรงเรียนหมดทั้งประเทศมึงไปเรียนให้มันโง่าทาไมแต่ตอนนี้เนี่ยมันเลือกไม่ได้ เขาประเมินความรู้ด้วยวิชาการเด็กจะไปสอบเข้ามาหาอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ประเมินความดีนะไม่มีประหลอดวัดความดีความขยันนะเขาประเมินว่าใครวิชาการเก่งกว่ากันไงมันไม่เป็นธรรมหรอกแต่เราไม่มีทางเลือกนี่คือทางสายกลางเราเวลานี้นะเด็กเขามาเรียนหนังสือเพราะแม่เขาอย่างมาก็จะมบียนอนาคตอยู่ไงนะ แล้วโล่มกำลังจะเปิดมาลุมกินโต๊ะเราเนี่ยเราโแจะเ อ, อ้อเหออย่างนี้เนี่ยตายหมดแล้วยังไงรู้ไหมจะเล่าให้ฟังเพราะกูสัมภาษณ์คนที่เข้าไปอาจารย์อ้อยเขาไปขี่เขาไปนะปุ้ยเขาไปผู้บริหารเนี่ยเขายำใหญ่เลยตั้งแต่เช้าหกโมงเอาถึงสี่ห้าทุ่มนะเขาอบรมให้ครูเราเห็นไหมออที่แรกว่าขอขอวันหนึง <c oughs> บอกไหนไหนมาแล้ววันนึงไม่พอวันครึ่งได้ไหมวันครึ่งถึงสี่ทุ่มเดี๋ยวโทรมาอีกวันครึ่งก็ไม่พอละพรุ่งนี้อีกครึ่งวันเพราะจะมาขึ้นเครื่องดูคนที่เขาเขาจริงใจเขาตั้งใจเขามาปฏิบัติเขาเห็นสิ่งมหัาจรรย์เขาก็เอาไปทําจริงๆชีวิตส่วนตัวเขาก็ดีขึ้นองค์กรเขาก็ดีขึ้นเขาก็ถามครูเราเป็นยังไงอยู่กับต้นตํำรับแล้วเนี่ยทำหรือเปล่า ครูบอกว่าทาเด็กมันเต้นเราก็เต้นด้วยเขาบอกไม่ใช่เวลาเด็กเต้นเรามีหน้าที่รวยาเด็กแล้วส่งออกนะต้องปฏิบัติตอนที่ไม่มีเด็กมาเขาใส่แรงๆเลยนะแกบอกว่าแกรู้ครูพระลานคอยมีบางคนไม่ชอบแกแน่นอนแต่แกไม่แคร์แ ก, แกทำเพื่อพวกครูพวกคุณบุญเยอะมากอยู่ข้างตัวพวกครูนี่ทำอะไรให้ท่านบ้าง ไหมเขาเติมน้ำมันให้พรอครูแต่พระครูเตือนว่าไม่ต้องจุดไฟนะเอาแค่น้ำมันก็พอเดี๋ยวพระครูไม่มีครูนี่แหละเราต้องรู้เท่าทัน ส, งส า, างสกลางพรอครูไม่ปฏิเสธโลกเราต้องอยู่กับโลกรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่ซื้อเบือ่อซื้อเบือ่อยึดยึดลัทธิอุดมการณ์อยู่ตรงนั้นเด้เหมือนกดยู่ในกาลานี่รออะไรรอตายลูกเดียวน้ําท่วมโลกก็ตาย นะไฟไหม้ก็ตายนั่นแะหละต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนี่คือรู้ธรรมรู้ความจริงว่าโลกมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ไปอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านตอนนี้ทุกลทัทธิาศาสนาเป็นแบบบังคับให้อ่านอ่านเอออ่านเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้ไปท่องจำความรู้ซึ่งเป็นรูปของภาษาและไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากเราเองเกิดจากว่าเราถูกบังคับให้ไปอ่านอ่านอ่านนะพุธก็เป็นแบบนี้ไง เรากาบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีหน้าที่ทําแบบพระองค์ให้พ้นทุกแบบพระองค์ไม่ใช่มีหน้าที่มาอ่านสิ่งที่พระองค์พูดก็กลายเป็นยิ่งรู้มากกลายเป็นหัวโขนใหญ่หมดแบกความรู้กลายเป็นอัตตาขึ้นมาทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เข้าใจศาสนา ทุกศาสนาสอนให้เราอยู่เรียบง่ายมักน้อยสันโดษแต่ตอนนี้ทุนนิยมแข่งขันเสีดีเพราะกูไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะก็เป็นอุบายวิธีที่มนุษย์กลุ่มนึงบอกว่ามนุษย์เราถ้าอยู่อย่างนี้เราจะมีความสุขไงเราเชื่อเขาดีดีเชื่อมันพูดอะไรเชื่อหมดเลยแต่เรากับศาสน า, ศ า, าทุกศาสดาแต่เราไม่เคยทําตามเลยเราก็ทุกสิอันนั้นสอนว่าต้องมีเยอะๆถึงจะสุขไง แต่ผู้เจ้าบอกว่าต้องไม่มีเลยถึงจะสุขไงลดละเลิกมันสวนกลางกันนะเอ้าไม่มีแล้วจะกินอะไรไม่ใช่ปฏิเสธนะปฏิเสธบ้านปฏิเสธอาหารเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนแต่อย่าไปหลงติดมันอย่าไปหลงว่าถ้ามีเยอะๆแล้วจะมีความสุข <S <S สมมติว่าทรัพยากรของของโลกเนี่ยในสังคมมันมีจากัด เออมันมีสิบก้อนเห็นไหมเอาประชากรมีอยู่สิบคนถ้าจะแบง่งเปนคนละก้อนทุกคนได้กินหมดใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวใหญ่มันดูดเข้ามาหมดเลยเก้าก้อนอีกก้อนหนึ่งให้มันฆ่ากัน9้าคนแบ่งกันตรงนั้นน่ะบาปนะบาปนะคุณเหลือเฟือแล้วคุณเอาไปกักตุนไว้แล้วก็ให้คนอื่นไม่มีจะกินนี่อันนี้บาปเลยล่ะพราะครูเชื่ว่าทุกศาสนาผิดศีลหมดถ้าไปทําแบบนั้น คุณไม่มีเมตตาไม่ใช่คุณทําดีนะคุณเก่งเฉยเฉคุณคุณเรียนวิชาที่ไปแย่งของคนอื่นมาเป็นของคุณของคนอื่นนะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราไอนตัวนี้ก็เป็นของธรรมชาติมันเป็นมูลของธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราพอเราไปคิดตัวว่าของฉันตัวกูเราของธรรมชาติเป็นของเราเราทุกข์แน่แนพอเราถูกด่าเราก็ทุกข์ไงมึงด่ากูทาไมเห็นไมก็เพราะมีมึงไง เขด่าทาสานได้ไหมไอ้ทาสานมึงโง่มึงโง่มันโกรธไหมมันไม่โกรธไงเพราะมันไม่รู้ภาษาไงเนี่ยทุกวันนี้เราผิดศีลผิดธรรมชาติเพราะเราไปคิดตูวว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นของเรามีทาแก่คนหนึ่งนะตอนนี้แกเสียไปแล้วล่ะสนิทกับพ่อครูถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆเลยมาจากอเมริกา26ปีเจ็บขาเจ็บคากินยาทุกประเภทในโลกนี้นะไม่หายพอไปเหวี่ยงปุ๊ อน้ำลายไหลออกมาเต็มเลยกระดาษเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสารตกค้างเยอะแล้วสุดท้ายขาขาก็หายไงเ อ, อยิ่งว่ามันหายได้ก็ไปซิ่งอีกไงไปซิ่งอีก ไ, ไปรับอารมณ์มามันก็ปวดโน่นเดี๋ยวปวดนี่เปลี่ยนที่ปวดเพราะลมมันค้างไงพอมันนั่งมันก็เอออาเอออาเออเอามันเดินลมป่ามันก็หา ย, ยาแล้วก็ไปซิ่งอีก <c oughs> ครั้งสุดท้ายมาพระกครัวพลังชีวิตอ่อนมาก พ่อครูก็เลยพูดแรงๆหน่อยอแแะตอนนั้นเจ็บขานี่บอกเจ็บขานี่บอกขาก็ไม่ใช่ของลือ้อลื้ออย่าไปเจ็บตามมันเขาก็มองหน้าไม่ใช่ของอัวได้ยังไงเนี่ยมันพาว่าเดินมาที่นี่ <c oughs> บอกวันที่ลื้อจะกลับบ้านเก่าลือต้องเอามันไปด้วยนะเห็นไหมวันที่แกจากไปนะนะตอนนี้แฟนก็ยังอยู่นะอามา่ายังมาทำบุญกับพ่อครูอยู่เก้าสิบสองแล้ว พวกกูก็ไปงานศพเขาพวกกูชีวิตไหมเอาแปะเขาเอาขาเขาไปด้วยไม่ได้เอาของคุณคุณก็เอาไปด้วยสิอย่าวมาเกะกะโลกนี้นะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราผิดศีลผิดธรรมเราไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของเราเนี่ยเราไม่ทุกข์ได้ยังไงเขาพูดเฉียดเฉียดถึงหะอู้กูจะตายกูจะตายไงเพราะมีกูไง ธรรมชาติไม่ได้บอกเธอหน่อยว่าเป็นของเธอนะนี่แหละคือความหลงน่าผิดศินตั้งแต่แรกแล้วนะอย่าไปบอกว่าคนอื่นคอร์รัปชันนะมีใครบ้างไม่คอร์รัปชันพาพราะครูไปดูหน่อยหนึ่งคอร์รัปชันเวลาตัวเองค อ, อร์รัปชันชีวิตตัวเองคอร์รัปชันของธรรมชาติอยู่ๆคุณไปขโมยของธรรมชาติเป็นของคุณนี่คอร์รัปชันหมดคุณทุกข์แน่ นะก็เอ า, าพวกเราเนี่ยมีบุญมากแล้วละ่ะนะได้มาเถอทางส่วนมันจะพ้นเมื่อไหร่ช่างมันเหมือนเราหลงป่านั่นแหละเรามีหน้าที่เดินออกจากป่าเหนื่อยกูก็พักตื่นเช้ามาฉันก็เดินต่อโอ้ยเบื่อเบือ่อไม่รู้เดินไปทาไมแต่เช้าก็เห็นป่าเหมือนเก่าเขาจะรอให้เสือมันมากินเหรอ เราไฟไม่ป่าเราตายในลวัตตาสงสารหลายรอบแล้วนะก็เอาเป็นว่าเดินต่อไปจํำคราว่าเบี่ยงทิ้งแม่นๆในวิปัสสนานั้นมันจะมีวิปัสสูกิเลสนะถ้าไปหลงติดมันมาเลยปุ๊บมันจะเกิดเป็นจิตพิปราดนะคน บ, บ้าเนี่ยมันก็บ้าแบบนี้แหละไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็บ้านะไม่ปฏิบัติธรรมก็บ้าเยอะแยะเลยโรงพยาบาลศีรษมหาโปรเต็มไปหมด มันเป็นกรรมนะเราต้องยอมรับ ว, ว่าเราเป็นคนบ้าเราบ้าตั้งแต่ ว, วันแรกเราเกิดมาแหกปากลองนั่นแหะบ้ามาเกิดแล้วยอมรับไม่งั้นเราเป็นหลืว่าเราเป็นคนดีนะเราจะไม่หาทางวิธีทําให้มันหายบ้าเนี่ยทุกวันนี้เรากําลังเอาความบ้าออกไม่ใช่กดความบ้าไว้เดี๋ยวเราจะเป็นเราก็จะหายบ้านี่คือขัดเกาจิตให้โปร่งใสลรอนะ ทุกวันนี้นี่บ้าไหม ม, e มันเบาๆก็ไปแบกขยะความรู untuk, ้ให like, ้มันหนักแล้วก็ไปหลงว่าฉันเป็นน่นเป็นนี่ว่าท่านเป็นใครเหรอเป็นศาสดราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นเศรษฐีเป็นประธานไม่เป็นคนละเป็นคนมันก็ทุกไมากม้แล้วมากมายแล้วมีขันห้าแบกอย่างนีไปแบกอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมอันนี้คอร์รัปชันเยอะมากนะคอร์รัปชันธรรมชาตินะไปขโมยของธรรมชาติเป็นของเรา แล้วก็เติมแต่งให้มันเยอะแยะหลวงบุงแต่งมันน่ะเป็นน้นเป็น น, น, น, นี่แบกไปไหนก็แบกหัวโขนด้วยต้องวางพร้อมเดี๋ยวเขาจะดูถูกนะเดี๋ยวเขาจะว่าไม่มีใครว่าหน่อยคิดเอาเองเห็นไหมทําไมเรามาปฏิบัติแบบนี้ทําตัวเหมือนคนไม่มีมารยาทกิ่งเขาลอเขาลอบมดรูปเลยเห็นไหมเราทิ้งหมด เราทุกจะสัมผัสความอิสระภาพเนี่ยมันเป็นเทคนิคอุบายวิธีฝึกยืนเฉยเฉยเดินเฉยเนั่งเฉยเด็กก็ได้ชีวิตเราได้ไหมไม่ได้บางคนเดินมาเป็นปีๆแล้วนะเฉยได้ไหมยืนเดินนั่งนอนเนี่ไม่ดุดเลยสักเนทีหนึ่งมีไหมไม่ใช่ง่ายนะจริงๆมันง่ายๆไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ยืนเฉยเฉยเดินเฉยเนั่งเฉยเนอนเฉยเถ้าเราทําได้นะ ไปทําอะไรก็สําเร็จเดี๋ยวเฉพาะวันนั้นญาติที่ทาลูกเข้ามาจากอเมริกาเขาชอบตีกอล์ฟวันนี้แหละฝึกบ่อยๆแล้วตัวไปตีกอล์ฟแบบไม่มีอารมณ์ตีเพราะตีเนี่ยทุกช็อตนี่สมบูรณ์หมดตอนนี้เราตีเราอยากชนะเราก็ตั้งใจมันก็เข็นบ้างอะไรบ้างนะถ้าเราตีโดยไม่มีอารมณ์น่ะเหมือนหุ่นยนต์มันตีทุกชอ็อตมันถูกทุกช็อตอ่ะมันมันไม่เพียน อันนี้เราตีไปด้วยคิดไปด้วยวางแผนไปด้วยอารมณ์กลัวมันก็เกิดขึ้นกลัวว่าจะตจะีไม่ดีไงมันก็มีผลเอฟเฟกตกับกายภาพเราเห็นไหมเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราถอยมาเป็นธรรมชาติเฉยเฉยมีหน้าที่ยิงก็ยืนสิแต่เนื่องจากว่าเรามีนิสัยคอร์รัปชั่นเรายืนเฉยๆกลัวเสียเวลาไงกูเผอือกูเอาเวลายืนเฉยกูก็ไปคิดไงเดี๋ยวจะไปทาอะไรเห็นไมเพราะกลัวอยากเลยไงเนี่ยคอร์รัปชั่น ใครบอกว่าตัวเองไม่ขอรับชั่นมาหาพ่อครูดูพ่อคูจะพิสูจน์ว่าคุณขอรับชั่นหรือไม่เมื่อตัวเองยังไม่บริสุทธิ์นี่ไม่มีสิทธิ์ที่จว่าคนอื่นนะบางทีสมว่าโจรไม่พ้นเงินเข้ามานะมันไปพ้นพราะมันต้องเลี้ยงลูกเมียมันถ้ามันพ้อนอย่างไม่มียินดียินได้นะมันถือว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งเหมือนเนี่ย มันยังดีกว่าผู้ดีที่คอร์รัปชันนะผู้ดีที่ที่ที่ที่ทมีแต่คิดไม่เลิกก็เลิกเวลายืนก็เอาไปคิดเวลานอนก็คิดอีกอันนี้จะตายก่อนโจร น, นะเพราะมันเครียดไงคุณต้องรับกรรมเพราะคุณคอร์รัปชันนะพวกครูเคยเล่าให้ฟังว่าบริษัทหนึ่งพวกคูเคยไปบรรยายนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่เพิ่งแต่งงาน แต ง, งานครั้งแรกเนาะแล้วก็ตั้งท้องอยู่สามเดือนก็ยังไปต้องไปทํางานกลับบ้านก็ต้องไปทํางานบ้านสามีทีแรกก็รักกันดีๆพอตั้งท้องเนี่ชักเบื่อไว้กูไปตีก๊อบทั้งวันทั้งคืนก๊อบมีชะวะกักกลางวันนะกลางคืนมันก็ตีด้วยกว่าจะกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งไงเสียใจโศกเศร้าว่าคุณจะเสียใจนะมันกระทบถึงลูกเขาเล่าให้ฟังบทอะ พ่อบ้านคนนี้เนี่ยเขาไปตีกอบเขาเที่ยวดึกนี้ผิดกฎหมายไหมไม่มีเป็นสิทธิด้วยเห็นไหมเขาไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่อีกครอบครัวหนึ่งมันจนมากเลยลูกเมียไม่สบายไม่มีเงินพาไปรักษามันก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปขโมยของเขามันยอมเสี่ยงนะถ้าจับได้มันติดคุกเลยมันก็เอาเงินตัวนี้มาพาลูกเมียไปหาหมอ ผิดกฎหมายใช่ไหมใช่ใครชั่วกว่ากันสองคนนี้ใครชั่วกว่ากันระหว่างไอ้คนมันถือสิทธิมันผิดกฎหมายแล้วมันจะไปตีกอลทั้งวันทั้งคืนมันไม่ดูลูกแลงลูกเมียมันมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วมันเป็นคนดีใช่ไหมเราอะไรมาวัดไอ้นี่มันไม่ได้อยากไปผิดกฎหมายหรอกเพราะว่ามันจะปล่อยให้ลูกเมียมันตายเหรอมัุจตีอย่าทงวนท้งนม่ ไม่ขอเขาดีๆเขาก็ด่าเขาก็ไม่ให้นี่อุบลมีเคสหนึ่งนะหลายปีก่อนนี่เรื่องจริงมันมีขี้เล่าคนหนึ่งมันไม่ใช่ขอทานหรอกมาถึงร้านทองที่ไรมันก็ขอมันก็ได้เงินทุกวันไงวันนั้นขอมาอีกเท่าแก่ล้านทองหุดหิดมันขายไม่ดีสถิกิไม่ดีหนึ่งไปด่าไม่รู้จักทามาหากินมันไม่พูดอะไรมันกลับไปมันเอาปืนมายิงมันตายเลย เบียก็ร้องให้บอกขอดีๆก็ให้ก็มันขอดีๆทำไมไม่ให้ล่ะเห็นไหมก็ให้มันจนเคยชินแล้ววันนั้นอารมณ์ไม่ดีก็บอกไม่ให้มันนะถ้ามันคิดเป็นมันก็ไม่ทําแบบนี้เห็นไหมล่ะเราไปติดถูกติดผิดติดอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยเราตัดสินใจจากอารมณ์เราอยากไหเราอยากรวยพอเราขายดีเราก็ให้มันพอเราขายไม่ดีเราก็ไปด่ามันอีก ถ้าไม่ให้เขาก็พูดกับเขาดีๆก็ได้ใช่คุมไหมมันยิงตายเลยเบียก็ร้องหห้ขอดีๆก็ให้ทำไมต้องมายิง <c oughs> ก็ขขอดีๆเมื่อกี้ไม่ให้เขาไงการทำความดีอย่างมากเรื่องทาน่ะสบายใจกูก็ทำไม่สบายใจกูแม่งมันจะเป็นแบบนี้แบบเท่าแก่ล้านทองนี่นะนะโดยเฉพาะไม่ชี ที่รับผิดชอบเด็กๆนะ <c oughs> เห็นไหมถ้าเราคอรับชั่นหน้าที่เราจะทุกข์หน้าที่เราเป็นผู้ให้ไงแต่ถ้าวันไหนเราเผลอทุกข์ใจปุ๊บนี่เราคอรับชั่นหน้าที่เราเราทุกข์เันไหมถ้าเราไม่ทันเด็กนะเราต้องมีความสุขกับการให้มันมันดือ้อเออหัวเราะเลยนะมันดื้อนะไอ้ น, นี่มันดื้อนะเออไอ้ น, นี่มันดีแล้วก็หัวเราะอีกอั น, นี้มันดีนะ ไม่ใช่มันดีเราดีดีใจพอมันดือ้อปุ๊บเราก็ทุกทุกใจนะเราคอรัปชันตัวเองละเราคอรัปชันหน้าที่เราเราก็ต้องทุกข์สิคนไหนคอรัปชันทุกหมดคนอื่นไม่รู้จิตเรามันรู้ทำตัวเองให้ดีก่อนนะก่อนที่จะไปตัดสินคนอื่นเราอยู่ด้วยกันนะกัลยะาณมิตรเป็นที่สุดแห่งพ ม, มจันท์ ทุกคนเป็นกระจกส่องกันซึ่งกันและกันทำให้เขาเราเห็นอารมณ์เรานะโดยเฉพาะเด็กๆนี่มันสุดยอดเลย <c oughs> มันจะทำอะไรมันก็ทำเลยนะมันไม่ต้องวางแผนเลยนะเหมือนเป้าปินนั่นแหะคุณต้องรู้เท่าทันมันผู้ใหญ่เรายังวางฟอร์มอยู่นะ อ, อ, อยากก็บอกไม่อยากนะอ่าอยางไงไม่รู้จะอ่านใจกันยังไงห <c oughs> งุดหงิดมากไม่วางฟอร์มอยู่ตรง น, นั้นแหละเห็นไหม เด็กนี่มันไม่นะมันตุ้มตามตุ้มตามเลยนะถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราจะเผือคอร์รัปชั่นชีวิตเราเองแทนที่เราจะให้และเรามีความสุขเราคอร์รัปชั่นความสุขของตัวเองกลายเป็นทุกข์เพราะเราไม่ทั น, นต้องฝึกบ่อยๆโดนน็อกลงไปก็ลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันจะชํานาญขึ้นต้องโดนน็อกหลายๆยกหน่อยหนึ่งว <laughs> ันนั้นไปชีทีม ทีมดูแลเด็กมาแล้วหอบภูเขาลูกโตๆมาให้พ่อคูว่าโอ้แย่แล้วนะไม่ไหวแล้วอะไรนี่นะมีหลายเรื่องจะปรึกษาพ่อครูพอพ่อคูพูดไม่กี่คำเนี่ยบอกไม่มีเรื่องแล้วเดินไปตัวเบาๆเลยก็เป็นเรื่องเก่าๆไงเพราะเราไม่ทันเท่านั้นเองจริงๆแล้วเรามีเมตตาเราก็ไปทํำตรงนั้นบังเอิญว่ากําลังของเมตตาเรามันไม่พอ เรามีเมตตาบางทีมีกรุณาอดหลับอดนอนไปอยู่กับเราอยู่ดีๆไม่ชอบเพราะกุศลสงให้ไปทุกอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ทําทำเพราะศระัทธาวรากูมีกรุณานะแต่บางทีเพื่อนร่วม ง, งานทําอะไรหนึ่งไม่มีมุติตาอีกเนาะเพราะกลัวเสียสัก์สีกลัวได้เปรียบเสียเปรียบ ก็ให้เด็กมาแล้วแต่บางทีนี่มันวิ่งมามันมันไม่ระวังหรือว่ามันตั้งใจระวังมันชนเราปึ้งเนี่ยก็ไม่มีอุเบกขาอีกนะโกรธนี่เราคอร์รัปชันตัวเองล่ะทุกขบวนการเป็นการเรียนรู้หมดนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งกดทรงมันถ่ายรูปไปโชว์ว่าออ้ยฉันนั่งปฏิบัติธรรมนั่งเงียบเีนิ่งนิ่งแต่ข้างในมันคิดโน่นคิดนี่นี่ มันไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมันกำลังสร้างมนกกรรมอยู่เห็นเรามาเต้นเรามาลําเรานิ่งอยู่กับการเต้นการลําความคิดมึงก็คิดไปฉันไม่คิดกับเธอเป็นหนึ่งเดียวนั้นน็่คือปฏิบัติธรรมเราดูแลเด็กเห็นไหมก็วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยพวกครูเออพอมีเวลาฉีกหน่อย เพราะไอ้ตัวเล็กๆตั้งแต่นุบานปฐมตั้งแต่เทอมที่แล้วมาเนี่ยพวกครูพาเด็กโตเนี่ยมัธยมไปหลายรอบละอาทิตย์ละครั้งที่อสองอาทิตย์ครั้งเนี่ยโอเคเราไปอยู่กับเขาเราจะได้รู้ปัญหาเขาแต่ไอ้ตัวเล็กๆมันก็ทวมอยู่เรื่อยเมื่อไหร่พวกครูจะพาพวกเราไปหน่อยไปไปเลยเด็ก22คนแล้วฉันจะดูแลยังไง <c oughs> บังเอิญเจอ พี่ตาญกับพี่จำพู้เดินมาเออสองคนนี้ไปกับพ่อครูพอเข้าวสลาปฏิบัติเสร็จแล้วเ อ, อสองคนมันเอาย2่คนอยู่หรือเปล่าพอเข้าไปในห้องที่เขาติวกันเห็นอีกสองคนทั้งสี่คนไปกับพ่อครูรถตู้คันนี้บรรจุยี่บกคนบวกกับพ่อครูขับรถเองเนี่เป็นยีบเจ็คนยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไป วันนั้นพ่อครูก็เลยทำหน้าที่เป็นแท็กซี่เป็นโซเฟอร์เป็นไกด์เป็นทั้งหมดเลยพ่อครูมีความสุขกับเด็กๆ เ, เหล่านี้เพราะอยู่กับคนดือด้อๆมีความสุขมากพูดอะไรมันแกล้งไม่ต้องได้ยินอะเพราะว่ามันควจะไม่ได้ทำพ่อครูก็มีความสุขกับชวา ม, มันดื้อไงแล้วจะไปทุกข์กับมันทาไมนะบีแต่ป้องกันอันตรายมันเท่านั้นเอง มันรวยอยู่เรื่อยแหละไอพวกนี้นะ เ, ออเดี๋ยวขออย่างหนึ่งได้คือเอาศอกอไปไหว้พระอยู่วัดศิรินทรก่อนนะก็ขึ้นไปว่าเสร็จแล้วพระครูจะพาไปไหนจะพาไปไหนอีกนะมันกลัวจะพากลับบ้านนะ <laughs> บอกไปเขือนไปกินข้าวเขื่อนพอขึ้นรถเออโหวตเสียงก่อนใครจะกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเก้าสิบกินข้าวเหนียวเขือนมันไม่มีขายข้าวเหนียวเลย <laughs> ก็ได้ต้องเลยไปพัทยาน้อยเห็นไหม มันไปนั่งแพร่ทั้งนี้ก็น้ำทั้งนี้ก็น้ำอีกเอาล่ะเป็นของสนุกละยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยหนูเล่นน้ำนะมันเอาก่อนเลยนะไม่เป็นไรลูกทีละอย่างกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาว่ากันพว ก, กุมไม่ได้รับปากหรือว่าอะไรทั้งนั้นล่ะเห็นไหมล่ะพอ ก, กินข้าวเสร็จบอกกลับเห็นไหมเด็กมันก็เป็นอย่างนี้ไงทีนี้ก็ขอต่อรอง เขาขาจุ่มเฉยๆได้ไหมบอกไม่ได้เพราะครูยืมรถครูคีมาเดี๋ยวมันจะเปียกบางอย่างเพราะครูตามใจบางอย่างเพราะครูตามใจแต่เขารู้ว่าเรารักเขาเนี่ยเราพูดอะไรฟังพราะครูหมดไม่เห็นมีปัญหาเลยมีแต่ความสุขนะเวลาที่พระครูมีความสุขพอกูอยูก่กัเด็กนะเพราะมันเพียวๆ เ, เลยล่ะอยู่กับผู้ใหญ่ถ้าพระครูไม่เห็นจิตนี่ต้องตีความนะ ต้องมันพูดก่อนภาษาบ่งบอกนิสัยนะบังเอิญพราครูเห็นยังไม่อา้าปากพราครูรู้ว่าเป็นยังไงผู้ใหญ่อยู่กันยากมากเห็นไหมเพื่อนสนิทนะมันพูดภาษาไทยออกมายังไม่คิดเอมันพูดอย่างนี้แปลว่ายังไงอย่าว่าตกแปลบาลีเป็นไทยนะพูดไทยยังแปลเป็นไทยเลยสังคมแบบนี้มันน่าอยู่ไหมพราคูคุยกับเด็กดีกว่านะ วันนี้พระครูอุตส่าห์นี้ไปนั่งจริงช้างเงียบๆอยู่มันกินข้าวเสร็จก็เฮอไปหาพระครูหมดเลยเห็นไหมเออแต่มีนะมีปิดเทอมหนูบวชได้ไหม อ, อ่มาแล้วนะเห็นไหมเออเดี๋ยวคุยกันดูกไปหาไปหาเสียงก่อนผู้หญิงไปหาเสียงนะผู้ชายไปหาเสียงว่าจะบวชกี่คนนะถ้าจํานวนโอเคนะเดี๋ยวพระครูจัดให้ ถ้าเรามีเมตตาจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยเราต้องจูนเราเนี่ยให้เป็นเด็กกับเขาไม่ใช่พยายามให้เด็กมันเข้าใจเรามันจะเข้าใจเราได้ยังไงอย่าวภาษาด็อกเตอร์ไปสอนปฐมนะเราต้องจูนตัวเองเนี่ยให้เสือเขามันรู้เรื่องนั่นแหละสามหัวโจกพูดปุ๊บใครก็รู้ใช่ไหม พิเกตอย่างนี้ไนงะพี่โจ้อย่างนี้เนะี่ยกัดจังอย่างนี้นะถูกพ่อครกักัดจนอยู่มือเลยไม่เห็นเป็นไรเลยมีความสุขต่างหากขอให้เราเข้าใจว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละต้องใส่เมตตาเขาไปเยอะๆเมตตาทําค้าจุนโลกนะโอเคนะอย่าทําตัวให้มันยากกว่าเด็กนะกลายเด็กนะเข้าใจไหม